คนอื่นก็ต้อนรับขระสุวันณิธรรมวัดสันติธรรมเดิมที่เป็นวัดเกา่าวัดร้างชื่อวัดยาคุณชรวัดยาพระขาวและวต่วัดกุณชรที่เปลว่าช้างถึงในสมัยนอกพระเจ้าติ โ, โกรกลาตตรงน้าววัด ชื่วัดคุณชรจะมีร่องร้อยเจดีสาวโบสถ์เก่าตรงวัดเพราะนั่นเด๋ยวเป็นวัดเก่าแก่แต่ว่าเราเริ่มสร้างใหม่โบราใหม่ในปีหลังสงครามโลกโพช่วงสงครามโลกกออูบาจนันทก็หลบหลบไปอยู่ตามบ้านกลับมาใหม่ก็หลังตง่อมาศตวรรษกว่าก็สร้างวัดเป็นรูปไปร่ปาง ชื่อว่าวัดสันติธรรมเป็นชุมชนหรือหมู่บ้านมันยังไม่มีวัดเคยขึ้นก่อนชุมชนที่ต่างกับวัดทั่วไปก็คือจะตั้งชื่อตามหมู่บ้านเช่นบ้านป่าตึงบ้านป่าแงะบ้านไหเราจะวัดวัดป่าแงี้ยป่าตึ ง, ตงแต่จะนีวัดเกิดขึ้นก่อนโดยประมาณโดยพระเทราในสมัยนั้นก็คือลูก ป, ปู่สิมพุทธาจารย ตอนหลังท่านไปอยู่ทำประป่องท่านเป็นคนสกุลนครจนถึงศตวรรห้ารอยสิบท่านก็ย้ายไปอยู่ทำพระป่องเชียงดาวมอภาระให้ลูกศิษย์ท่านคือหรูมหาทองอินศตวราร้อยสิบเป็นต้นมาเป็นเจ้ า, าอาแผงหลวงปู่มต้องอินก็อยู่จนถึงสองพันห้ารอยสี่สิบเจ็ก็มดรับานวิวัยเจ็ดเจ็ดปี วันจะมาก็ในรุ่นที่สามแล้วธรรมารเป็นรุ่นที่สามสำหรับคนที่ยังไม่เคยมาพราะในวัดของเราของดีเยอะแต่ใครยังไม่ขึ้นไปบนพิธภัณฑ์หรือมีของดีเยอะกันก mm ่ hmm. อนที่กลับบ้านขึ้นไปกราบนิรันิดนึงแล้วก็ประชาสสมบันในสวาวาพรุ่งนี้หลวงพ่อลุ้มเป็นเจ้าภาพสองเจใหญ่ด้วย ก็หลายๆร่วมเจ้าภาพร่วมกันทางวัดกนังข้าศตาพระเนมร่วมเป็นเจ้าภาพในวัดสุท้ายบุญพวกนี้คืออุดท้ายอปร่วมเป็นเจ้าภาพด้วยช่วงนี้เป็งานศพทุกวันไอ้พวกเราอาจจะเป็นพระอยู่เฉยๆอยู่ก็ได้ก็ได้มันมันไม่ใช่สองวันสามวันติดกันเนี่ยก่อนหน้านี้ก็มีอีกศพหนึ่ง เจ็ดสิบสามเมื่อวานอุ้ยก็อายุยืนหน่อยเก้าสิบสี่ถามว่าพวกเราผู้เราตอนนี้ขาดว่าเราจะไปเมื่อไหร่มบราณดูชองโลกเขาถือว่าถ้าพูดถึงความตายเขาเป็นเรื่องอัปมงคลเขานั่น เรื่องทางศาสนานะั้นไม่ใช่เรื่องของมงคลเพราะอะไรเพราะเราจะได้ไม่ต่อมาอย่างงั้นเราก็จะคิดเราตัวเองหนุ่มสาวยังไม่ตายง่ายอเราต้องไปลืมาวัยของคนเราชีวิตของพวกเรามี็สามวัยใบต้นวัยกลางใบปลายคอยต้นในแทบไปทํางปุถุชนศาสนาแล้วหมดเวลากับเรียนเรียนเรีย น, ยนแล้วก็เรียนจนจบ คมรับผิดชอบในอดีตไม่ต้องหนึ่งอยากฝากพวกเราทุกคนในขณะเดเป็นโลกเป็นหลังที่ไหนเนี่ยบางทีเรอาจจะลื ม, มลืมไปว่าในวัยยี่สิบกว่าหนึ่งขวบถวึงยี่สิบก่อนเนี่ยเราก็ต้องรับผิดชอบอะไรเลยคนที่รับผิดชอบคือพ่อแม่เองปลาอาหารซื้อผาอ่อนซาเตอร์ับปะสารพัดเนี่ยถ้าสมมติเราเป็นพ่อค้า เราลองประเมินดูว่าหมดไปกับค่าใช้จ่ายได้ประมาณเท่าไหร่ล้านหนึ่งอยู่ไหมไม่อยู่นะถ้าถามว่าล้านหนึ่งเนะี่ยถามเล่นหมเจ๋อได้คืนท่านสักบาทได้ยังไงแต่ถ้าท่านหมดไปแล้วเนี่ยยิเป็นน่าเสียดายนะ เราไม่หดการติดตออตัองนั้นเลยอันนี้ค่ยี่สิบปีเองน ะ, ละหลา น, นแค่เล็กๆสมมติเฉยๆตัวน้อยมากเลยเพราะนั้นขอที่เราจะตัวมาถึงขนาดนี้ได้เนี่ยมันไม่ใช่ธรมาติอันนี้ขอแรกอันนี้คือยี่สิบปีแรกเนี่ยปีที่สองเอาละเริ่มละเริ่มหางเริ่มมีเพื่อนมีครอบครัวเริ่มรู้ละเริ่มมีคู่ เริ่มทํางานเริ่มเขียนคุณค่าของเงินว่าหาเองได้มันอยากร่ำรวยขนาดไหนในที่สำคัญในความรับผิดชอบมีครอบครัวเอ๋น่อยก็มีตัวเล็กมาอีกตอ น, นี้เริ่มเข้าใจแล้วพอเริ่มใช้แล้วอันนี้คือนี่นี่ที่เราจะต้องใช้เป็นนี้ที่เราสร้างเองสองคนยญิงชายสร้างเองแล้ไว้ก า, าคน ก็คือทำงานหางเงินเก็บซึ่งก็ไม่รู้ว่าเก็บเพื่ออะไรมาดูประสบอีก20ปีหลัง40ก็60อันนี้ก็ถือว่ามั่นคงมีฐานะทางสังคมทำ ง, งานหน้าที่มีหน้ามีตาพอหลัง60ไปแล้วเนี่ยเขาไม่ใช่บริการจะเป็นบางอาชีพที่นี้จะอยู่ยังไงทีนี้ เดีย๋ยวคนแม่เราอยู่ได้ตั้งยี่บสี่ปีหลังจากเกษียณนเะยอะไม่ได้เกษียณนะทำงานจนระดับีตทั้งไทยจะมีกำลังทำงานนี่คือแม่แต่ว่าคนทั่วไปแล้วคือหลังจากเกษียณแล้วเกษียณนั้นก็คือหมดวาระปลดระวางนั่นแหอันนี้คือกระบวนการชีวิตของเราทุกคนที่เป็นอย่างถ้าจะนับวันนับเดือนนับปีเนี่ย คำนวณวกก่าจะเป็นพันเป็นหมื่นวันเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะพูดสั้นๆเขาแค่สามวันเขาพอให้เราจำํำมันแค่สามวันวันที่หนึ่งก็คือวันวานวันที่สองคือวันนี้วันที่สามวันพรนุ่งนี้นจ 360, 000, 000ําแค่นี้ไม่ต้องไปจำสามร้อยหกสิบวันพันกว่าหมื่นปีไม่ต้องไปจํำวันวานที่เราเรียกว่าอาดีต อดีตะมนจากภาษาบาลีอดีตแบบอดีตะแปลว่าสิ่งที่มันผ่านไปแล้วพ้นไปแล้วเหมือนคุณแม่เรตอนนี้ก็ถือว่าเป็นอดีตนั้นก็ก่อนหน้านั้นก็ถือว่าเร อ, อยู่ด้วยกันนะตอนนี้เป็นอดีตเป็นอดีตไปแล้วเวันนั้นทุกเรื่องที่มันเป็นอดีตไปแล้วมันเรียดกลับมาไม่ได้นี่คือวันแรกนะวันที่สองก็คือวันนี้ก็คือปัจจุบัน วันวานหรือว่าอาดีตหีืผ่านพ้นไปแล้วเนี่ยเราไม่สามารถจะไปแก้ไขอะไรได้ได้ไปแล้วเสียไปแล้วก็ได้แต่เอาเป็นบทเรียนแต่วันนี้เดี๋ยวนี้ขณะ น, นี้เราคิดอะไรพูดอะไรทําอะไรเราสามารถจะแก้ไขได้นั่นคือปัจจบุบันคือวันนี้ส่วนพรุ่งนี้เรียกว่าอนาคต เปลว่ายัางไม่มาถึงมันจึงมีความไม่แน่นอนถ้าเราอยู่กับเมื่อวานคือเรื่องที่มันจบไปแล้วมันจะไม่เกิเป็นตั้งเมื่อวานที่เรียก ว, ว่าอดีตเขาแปลว่าเราอยู่กับเรื่องที่มันจบไปแล้วแต่เรามายอดให้มันจบเป็นั้งความสุขความทุกข์เดียวกันนี่อยู่ที่ว่าเอาอะไรเป็นโจทย์เอาอะไรเป็นตัวตั้งเป็นตัวความคิด เพราะนั้นถ้าเราฝากความหวังไว้กับอดีตคือมัวแต่ไปคิดกันเองที่มันอดีที่มันจะจบไปแล้วผ่านไปแล้วมันก็ไม่ได้อะไรหรือจะอยู่กับพวุวงนี้จะทํายังไงเป็นยังไงเป็นตายยังไงก็ไม่รู้ก็คือไม่มีความแน่นอนเลยเราก็จะอยู่กับความไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นอดีตปัจจุบันอนาคตเนี่ยมันเกิดกับเราทุกขนาดเกิดจากอะไร เ, เกิดจากความคิด คำพูดการกระทำทางศาสนาเรือกสามอย่างเรียกว่ากรรมไม่ใช่ผลของกรรมนะคนละเรื่องนะวพอเราพูดถึงกรรมเมื่อไหร่เราจะนึกถึงผลของกรรมึ่งมันคนละเรื่องเมื่อเราเข้าใจผิดเราก็จะไปแก้กรรมไปวัด น, นั้นหลวงพ่อหลวงพี่หลวนะหลวงปู่หลวงตาสารเจ้าอะไรก็แล้กวกันพ่อไปแก้กรรมซึ่งก็มีว่า กรรมอดีตหรือกรรมอนาคตหรือกรรปัจจุบันตัวเองก็ยังตอบไม่ได้แต่รู้ว่าถ้าไปหาหลวงโอหลวงพ่อเหล่นี้ท่านแก้กรรมมันเอาได้จริงไหมพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนต้องบอกอย่างนี้นะพระเจ้าสอนสอนให้เราอยู่กับปัจจุบันพระเจ้าสอนให้เราอยู่กับความจริงถามว่าอดีตอยู่กับจริงไหมจริ ง, รงแต่มันจบแล้วอนาคต ไม่รู้ไม่อยู่ที่ทางเพราะปัจจุบันเนี่ยเราคิดอะไรเรารู้เปล่าพูดอะไรทำอะไรสิร่งนี้แหละที่พูะเจ้าท่าสเรียกว่าสติซึ่งเป็นสิ่งที่เราจะต้องหาจะต้องฝึกเหมือนหาสตังเพราะฉะนั้นโลกใบเนี้ยของเราเนี่ยเราจะพูดเสมอว่าโลกกระทำคือฝังง่งหนึ่งก็โลกฝั่งหนึ่งก็ธรรม เหมือนคุณแม่ตลอดทั้งชีวิตธรรมาหากินเลี้ยงลูกเตาเขาเรียกว่าโลกก็คือหาสตังค์โลกนั้นก็หาสตังค์เป็นด้วยวิธีการ ใ, ใดๆก็แล้วแต่ยอยาจจะเป็นธรรมาค้าขายรับราชการอื่นแล้วแต่แต่ว่าผลตอบแทนหรือค่าตอบแทนต้องเป็นรูปแบบของสตังค์คือเงินน่คือโลกนะส่วน่ายธรรมเนี่ยเขาหาสกิลถามว่าสองธรรมเนี่ย รอกหาคู่กันมาพยัยงก็แบอกว่าเกิดแก่เจ็บต้องก็ตายคืออยู่แบบโลกคือถ้าจะหาจะตังแต่สตังที่หามาทั้งชีวิตเนี่ยมันใช้ไม่ได้มงืหมดลมหายใจจิตออกจากร่างไปแล้วเนี่ยมันใช้ไม่ได้สักอย่างแปลว่าเราเข้าใจผิดแล้วลอกหาเพื่ออะไร ไมรู้รู้อย่างเดียวหามาก็เพื่อปัจจัยสีถ่ายได้มาก็คือปัจจัยสีสมบูรณ์คือสนองความต้องการของมนุษย์ของคนนั่นแหละเพราะฉะนั้นอย่าลืมอย่ามวัวจะหาสตังอีกฝ่ายหนึ่งคืหาสติสตังนะเวลาทํามันต้องได้อนี้นคือโลกเนะี่ฝ่าสตังส่วนฝ่ายทำคือสติเนี่ยเขา้ามาในธรรมเพื่อเอา ทำเพื่อทิ้งคือหมายความว่าทั้งบุญและบาปเนี่ยก็ไม่เอาถ้าใครทิ้งบุญทิ้งบาปไม่ได้ไปในพันไม่ได้อันนี้หยุดหายไร้ความสำคัญระหว่างสติกับสตังค์เพราะฉะนั้นโลกมันก็ทำมันมันต้องได้ทำไม่ได้เขาไม่ทำกันส่วนฝ่ายทำสติถ้ามีสติเราก็จะทิ้งทุกอย่างเพราะฉะนั้น ต่นต้นนะครับว่าท า, านเนี่ยความหมายจริงๆคือต้องการให้เราเสียสละบ้างคือก่ำจัดความจนเนี้ยนั่นเองในงั้นเราก็จะเก็บเก็บเก็บเก็บเสร็จแล้วก็ไม่ได้อะไรเป็นสม บ, บัติของลูกของหลานแล้วก็ย่งกันแต่เข้าใจเอาไปของของตอนเองอันนี้ก็พึ่งระมัดระวังว่ามันจะมีเรื่องอย่างนี้ตลอดเพราะว่าเราจะเข้าใจผิดว่าคนนั้นได้มากคนนี้นได้น้อย มันจะเกิดขึ้นหลังจากนี้แหละหยึดหลังความตายนี่แหละแต่ถ้าเราคิดว่าเออทุกคนคือพวกเราทุกคนพ่อแม่ให้มาเท่ากันหมดไม่ได้ลำเอียงนะมีไหมให้มาแล้วฮะแขนข้างเดียวขาข้างเดียวตาข้างเดียวนี่คือมารดูกันแพ้จริง ถ้เราอยากต่อเติมหรือเพิ่มเติมบุญกุศลหรือทรัพย์สินกันทองก็แล้วแต่เอามรดกที่เราได้มาเนี่ยเอาไปต่อ ย, ยอดเอาไปทําความดีไปทําทุนต่อเนี่ยนี่คือมรดกกันแท้จริงเพราะนั้นถ้าใครเอามรดกที่พ่อแม่มอบไว้ให้เนี่ยไมาใาทางาศาสนาคือสามารถที่จะทําติดใจของเอ็นให้บมจด คือลาภะคือโลคโกรธลงน้อยลงไม่ต้องให้หมดไปเลยเบื้องต้นให้มันน้อยลงหรืออย่างนั้นก็รู้จักนดีว่านี่คือความโลภนะมีความโกรธนะนี่ความหลงนะคือเบื้องต้นือไม่จะเป็นตำรับได้ทั้งหมดก็จะเป็นเรื่องที่ดีก็จะเข้าใจาเออเราเราอะไรหมดเราส่งทดมาเราจะเห็นว่าครูบาอาจารย์เห็นไหมว่าวงลับดับขันไปแล้วมรรพาพไปแล้วผู้คน ก็ยังไมบถึงเช่นพุทธองค์ร่วมมาแล้วสองพันกว่าปีเราก็ยังเริดนบถึงเมื่อนั้ น, น, นบุคคลประเภทนี้จะหน้อยหน่อยมากๆเอาพวกเราไม่ต้องอะไรมากสมมติเฉยๆนะสมมติว่าบทลมหายใจแล้วคนข้างหลังเราเนี่ยที่เราหามารดกให้เขา เ, เป็นร้อยเป็นพั น, นปีหนึ่งเขาจะเชื่อถึงเรากี่วัน อันนีมันดาถูกถูกกันนะเราพูดถึงความจริงกับวันสําคัญวันวันปีใหม่ปีใหม่เมืองปีใหม่ไทยจุดจีนก็จะไปไหว้ครั้งหนึ่งถามว่าปีหนึ่งสามวันกับวันนึกถึงเราสี่วันเพราะฉะนั้นเรายังมีชีวิตอยู่ยังไม่ลมหาใ จ, จทําเอาอยากได้ดีก็ทําเอาอยากได้ชั่วก็ทําเอาแต่ผลมันต่างกันผลลับมันต่างกัน นะ่นคือความไฮไลท์ตัวนี้ทำไมเรีว่าโบราณอาจารย์บรรพบริบบของบุราวดวางหลักการกฎเกณฑ์กติกาไว้ทุกอย่างเป็นเรื่องที่ดีมากแต่ว่าบังเอิญว่าเราไม่ค่อยได้คิดอย่างเช่นพิติกรรมทั้งหลายแหล่เชิญประธานในทีธีจุดทูปเทยียนบูชาพระราชนใรในเบื้องตน้น กานนักบูชินบูชาทำอันนี้ก็เรียกเรีกปกติจนเราคิดไม่ออกคิดไม่ได้เขาบอกว่าปัะหาในจุดทุเชนบูชาพระตไใจอย่างน้อยกด น, นคือเข้าใกล้พระละคุณสมบัติของอุบาสกอุบาสิกาโดยความหมายก็คือแปลว่าผู้เข้าไปนั่งใกล้พระรถนาใจอุบาสกอุบาสิกานะ ถ้อยู่ห่างๆอย่างพวกเราไปแชร์แล้ววัดก็ไม่เข้าอะไรก็ไม่รู้เรื่องพระก็ไม่มีปิติดาพระ่นไม่ใช่ะนะเพราะนักวิสุทธสตร์ของเราคือแปลว่าผู้เข้าไปนั่งเตยปราาใจเพราะฉนั้นที่เราเข้ามาคือใกล้ชิดพรพุทธเจ้าแล้วคนอยู่ใกล้มันต้องเห็นต้องรู้ต้องเข้าใจนี่คือจุดเรียนบุญญาพัตนาใจต่อไปแล้วก็คือสมาทานจริงแปลว่าแปลว่าอะไรแปลว่า ให้พวกเราสังเกตดูว่าถ้าคนเราไม่รู้จะเรียกตัวเองว่ามนุษย์หรือว่าคนหรือว่าพระก็แล้วแต่เขาเรียกกันตรงไห น, นอย่างนี้เรียกพระใช่ไหมบางคนก็ยังด่ายอยู่ได้ไหมกล้าด่าพระแล้วคนเราเรียกตัวเองว่าอย่างไงที่วันเรียกเัวเงว่าเป็นคนจำนวนหนึ่งคนเป็นคนใช่ไหม มีใครเขียนว่าจำนวนหนึ่งมนุษย์อยีไหมไม่มีเออแล้วมันแยกกันตรงไห น, นมันต่างกันตรงไห น, นมันต่างกันตรงสินห้านี่แหละแปลว่าอะไรถ้าสินห้าข้อนียเราไม่รักษาสักข้อเดียวเลยเป็นคนไม่ได้นะต้องขออภัย มันเป็นคนไม่ได้แปลว่าอะไรมันก็เหมือนกับเหมือนเราทุกอย่างมีท่าจีการห้างเหมือนเราทุกอย่างกินกามบริโภคเหมือนเราทุกอย่างเลยแต่เขาไม่มีสินงอย่างของเราแล้วก็ไม่สมามารถที่จะรักษาอย่างรเราได้ก็คือสเปซสตาส์ซับัพทั้งหลายอยาันนั้นใช่ไหมอันนั้นเป็นคนไม่ได้นะนัญหสภาวะจิตของพวกเราเช่นเดียวกัน ขนาดใดวันไหนถ้าจิตเราไม่มีศีลสักตัวเนี่ยนั่นคือสภาวะหมายถึงสภาวะของจิตไม่เกี่ยวกับรูปร่างกายเพราะฉะนั้นวันไหนก็ตามถ้าเรากลับมามีศีลบ้างไม่หาข้อสามข้อสองข้อหรือข้อเดียวนเนี่ยก็เป็นคนเขาเรียกคนนะจำนวนหนึ่งคนเออภูมิใจนะแล้วแสดงว่าเราถึงคนมีศีลเนี่ยแต่ถ้าศีลครบเมื่อไหร่เนี่ยมนุษย์ มณนณาอุตสะแปลว่าใจสูงสูงกว่ายังไงก็สูงกว่าสัตว์สูงกว่าคนเพราะศีลมันครบเนี่จะเรียกว่ามนุษย์คำถาม่าสถานอะไร น, นเราเป็นอะไรตอบไม่ได้เราต้องตอบเองปริยายตอบไม่ได้อันนี้คือมาตรฐานก็แปลว่าชีวิตคนเราถ้าจะเป็นชีวิตที่มาตรฐานได้คือสินค้าได้สินค้ามาตรฐาน มันต้องเป็นอย่างนี้หลังจากนั้นก็นเป็นคนเป็นมนุษย์แล้วเป็นพระพระในสูงกว่ามนุษย์อีกนะเป็นพระเป็นที่ไหนไม่ใช่สัญลักษณ์เป็นที่ใจเป็นที่สติปัญญาสัญลักษณ์ว่าเรามีสติปัญญาก็นี่ไง ก็จะเชิญประธานมาเพื่อจุดเทียนสองทำถ้าธรรมะมันเกิดมันเกิดยังไงตอนนี้เหมือนคุณแม่เหมือนตรงไหนคุณแม่น่กว่าจะดับแปดสสี่ปีใหญ่แม่ระดมแปดสิบสีป่ปีแต่เราทันเห็นไหม นั้งตึงไปีเนี่ปีไม่เห็นแต่ถ้าอย่างนี้เห็นไงไม่ถึงชิววิทเห็นแล้วเห็นอะไรเห็นการเกิดการดับอันนี้เรียกว่าดับนะเพราะไม่มีวิญญาณแต่คนเ ร, เรียกว่าตายเพื่อเห็นเกิดดับเร็วเพราะจุดพุ้นแนั่เคือเกิดนนะั่นแล้วมันก็จะบอกว่าที่เราเข้าใจว่าเกิดแล้วชีวิตเราจะยาวขึ้นมันไม่ใช่ เราคิดผิดมานาะนให้ดูเทียนจบแล้วมันก็จะสั้นลงเหมือนชีวิตเราชีวิตเราไม่ได้เพิ่มขึ้นนะเจ็ดสิบแปดสิบแปดสิบสี่ปีอย่างคุณแม่เ น, นเสียไปแล้วแปดสิสี่ปีนะถ้าไม่ได้ได้นะเสียเสียไปแล้วแปดปีพวกเราก็เช่นเดียวกันจะได้อีกเท่าไหร่ไม่ใครรูนะ้แต่เสียไปเท่าไหร่อรู้ พัอายุที่เราได้มาคือเวลาที่เราเสียไปมันก็จะสั้นลงสั้นลงจนสุดท้ายก็หมดแต่นี่ก็เรียกวันดับคนเดียวตายแต่ภาษาธรรมเนี่ยถ้พูดอย่เดียกวก็เกิดดับฉันใช้คำอย่านี้ครูเจ้าเพราะนั้นถ้าเราเห็นการเกิดและการดับของจิวิเชานความคิดมันเกิดขึ้น มันตั้งอยู่แล้วมันดับไปยังไงเช่นเวลาเรโกรยมันเกิดขึ้นได้ยังไงมันตั้งอยู่แล้วมันเป็นยังไงมันตั้งอยู่แล้วมันไม่ดับแล้วมันเป็นยังไงเราเคยสังเกตไนหะกระบวนการขั้นตอนของมันตั้งแต่เกิดจนดับไม่เห็นเพราะว่าเราไม่ค่อยได้คิดเป็นกระบวนการนี่ก็เช่นเดียวกันเพราะนั้นถ้าวสสีนต์อธรรมคือให้เรามองเป็นธรรมะ เมืนอธรรมะเสร็จแล้วมันจะเกิดปัญญาเพราะธรรมะต้องคู่กับปัญญานี่เป็นเรื่องสำคัญไปเรื่อยๆไปที่ไหนแล้วก็เจออย่างนี้ทุกครั้งแต่ที่สำคัญก็คือท่านบอกว่าคนที่จะมาเนี่ยหนึ่งได้ใกล้ชิดพระเข้ามาจุดสองได้ใกล้ชิดคนตายเพื่อเราจะได้ ม, มีสติ ระมานพวทหาสตินะเพราะนั้นถ้าเราได้ยินไดฟังอย่างนี้แล้วฟังแล้วเราคิดได้ด้วยตนเองอย่างนี้เขาเรียกว่าได้สติซึ่งเรื่อเป็นสําคัญมากมากในจิตประจำวั น, นสติมันสําคัญกว่าสตังนะแต่เราไมให้ความสำคัญสตางมันสำคัญกว่าสติเราเดียกลับกันหมดเพราะอะไรเพราะว่าสติมันจะอยู่กับเราแม้จิตออกจากร่างไปแล้วมันก็จะอยู่กับเราเหมือนมีทซั์มันเป็นอรารย์ซั์ ส่วนสตังมันอยู่กับเราชั่วเนี่ยเดี๋ยวดับไปก็หมดแล้วสตงังเพราะนั้นฝากเราทุกคนว่าโลกก็จะเป็นหมวดแต่าหาสตังอย่างเดียวจนลืมทหรือสติคนที่นี่มีสติหาแต่สตังอย่างเดียวนี้ยโดยที่มีสติก็ยังถือวโชคดีอยู่แต่คนห า, าสตังมาได้แต่ไม่มีสติต่อให้มีเป็นร้อยก็ไม่เหลือ เข้ามาหมืนห้าออกไปสองหมื่อในเรื่อสติและสติมปอยู่ตรงนี้เพระนั้นความสำคัญก็คือสติกับตถันสำคัญมากมา ก, มากนี่สงคัญธรรมดาแต่ถ้าเราบีทั้งสติก็มีสตังก็มีเรียกคนมีสติสตังอันนี้ครบอยู่กับโลกว น, นี้สบายเพราะนั้นฝากพวกเราทุกคนว่าอย่าไปหาสตังหรืหาสติ ด, ด้วย เราจะได้มีทั้งสติและสตังคู่กันไปแต่ที่สำคัญคือเมื่อหมดแล้วดับแล้วถึงแม้สตังเราใช้ไม่ได้แต่สติเรามีมันไปต่อได้ถ้ามีแต่สตังอย่างเดียวไม่มีสติเนี่ยหมายความว่าขณะที่จิตออกจากร่างไปมันจะมีแต่ความวิตกกังวลความกลัวกลัวภัยกลัวตายมารณะภัยกลัวตายเพราะเราไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไง มาเกิด ค, ความไม่แน่นอนไม่มั่นคงของชีวิตไม่มีที่ทางแต่ถ้ารู้ว่าเออเรามีสติเราไม่ต้องไปกลัวละเหมือนเรามีสตัางค์มือเราไม่ต้องไปกลัวเราจะไปทางที่ดีโดยเฉพาะอยิ่งคือถ้าเรามีศินเป็นมนุษย์แล้วเป็นพระคือใจเป็นพระนะไม่ได้เจ้าเับพระอันยิ่งหลักประกันอย่างดียิ่งเลยว่าเราจะไม่ไปต่ํากว่านี้อีก คือไม่ไปอาบายโดยศีลไม่เป็นตัวกำหนดเป็นตัวชี้ประธานฝากพวกเราทุกคนท่าทำไม่ครบไม่เป็นไรแต่ว่าอยากให้มีทุกวันประธานฝากพวกเราทุกคนเพื่อให้มีความดีในจิตของเราทุกคนทุกวันคือคนบอกจะว่าไม่มีเวลานะเอาเวลาเท่าไหร่หมดเวลาการทำมาหากินเป็นไหไรก่อนนอน ทำให้เป็นที่ใสเลยต้องบังคับตัวเองว่าต้องกราบพระไหว้พระก่อนนอนหมายก็ว่าเราต้องบันทึกความดีเอาไว้ไหว้พระพุทธเจ้าไหว้พระธรรมไหว้พระอริยสงฆ์โดยพาลนาหรือไม่พาล า, า, านาก็ได้พาลานะคือสวดมนต์ไม่พาลานะแค่ตั้งใจอธิษฐานก็ได้ไหว้คุณของพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณพระอสงฆ์ก่อนนอนคุณพ่อคุณแม่ทุกวัน ถ้าคุณขอพู้พกคุณทั้งหมดอย่างนี้ตัวัห้าขั้มแปลว่าก่อนที่จิตเราจะหลับคือนอนนั่นแหละคือไม่มีสติจะพูด ง, ง่ายๆก่อนที่มันจะไม่มีสติเราก็เอาความดีบันทึกเอาไว้ในจิตนอนก็ฝันดีตื่นขึ้นมาก็ฝันดีจองข้ามมีแต่ความไปตกความบนพุ้งซ่านฝันก็ไม่ดี นอนก็ไม่อิ่ม ห, ห, ห, หลับตื่นนี่โทษเพราะนั้นเวลาช่วงสั้นๆหลังจากนั้นก็ทบทวนตัวเองตัวเองว่าวันนี้ระหว่างความดีกับความไม่ดีนี่มันเกิดขึ้นสาทางคือทางความคิดทางวาจาคือคำพูดทางการแสดงออกคือกายการกระทำเนี่ยเราแสดงออกทางไรกันีปสิบทางวลาเพอถ้าเป็นสสกนุศลอกุศลซึ่งเรารู ตั้งคิตเ ไ, ไว้ก่อนหนักไว้แล้วผู้นี้จะไม่ให้สิ่งนี้เกิดขึ้นอีกหรือเกิดขึ้นจะน้อยที่สุดความบริพัฒนมันจะมีสติมันก็จะย้ําตัวเองมันจะอยู่ในจิตใต้สํำนึกมันจะฝังวิจิตใต้สํานึกของเราให้ทําอย่างนี้เป็นประจําเป็นประจำวันหนึ่งข้างหน้าถ้าร่างกายเราไม่ไหวแล้วหมายก็ว่าเวทนามักากาคนตายนี่เวทนามนาคาคุมตัวเองไม่ได้ ก็จิตมันก็จะออกแก่ร่างเดชออกจากร่างนี่ยถ้าเราไม่มีสติเลยเนะี่ยจะเกิดอะไรขึ้นใน เ, นเรื่องอันตรายเพราะนั้นเริ่มต้นอะไรพวกนี้เป็นต้นไปเป็นคืนนี้เป็นต้นไปให้เราเลิก อ, อย่างนี้อยู่เสมอเราเริ่มว่าทบทวนความดีตัวเองในชีวิตแต่ละวันทุกวันรับรองว่าชีวติตเราดีขึ้นแน่นอนเพราะนั้นอย่าไปทําเหมือนเดิมๆที่ผ่านมา ก, ก็แล้วก็แล้วก็ไปเป็นอนดีตไปแล้วให้อยู่กับปัจจุบันส่วนอ น, นาคตก็ เ, เรื่องมัน ให้อยู่กับปัจจุบันอนาคตนี่คือสิ่งที่พระเจ้าสอนพวกเราคือสอนปัจจุบนันอะไรทำให้อยู่กับปจบัปจจุบันปัจจุบันคืออยู่กับสิ่งที่มันมีอยู่อยู่กับสิ่งอดตีตมันไม่มีแล้วอยู่กับอนาคตก็ไม่มีแล้วแล้วทำไมเราไปฝากความหวังกับสิ่งที่มันไม่มีแล้วอย่าไปถามหาของที่มันไม่มีอยู่กับของที่มันมีอยู่ครอบตัวครอบครางกรอบคัวที่ยังมีอยู่เนี่ย สุดแต่มันไม่มีแล้วก็าไม่ยองไปถามหามันเพราะมันทําอะไรไม่ได้แล้วนั่นปัจจุบันธรรมคือสําคัญที่สุดนั้นการแสดงธรรมหรือการบรรยายธรรมนี้วมีหวังว่าพวกเราผูู้ได้คติแต่ก็คิดเริ่มต้นจากเป็นคนมีสินเริ่มเข้าใจเรื่องสี่งแล้วมีสมาธิคือฟังตั้งแก่ฟังนี่คือสมาธิมีปัญญาคือฟังแล้คิดได้ฟังเรื่องบางอย่างบางตอนเริ่มเข้าใจเรื่องมีปัญญา ไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาเป็นหนทางที่พระเจ้าวางหลักการให้พวกเราไว้ในทางปฏิบัติวันนี้สามอย่างเราขอบนะครับคืนช่วงระยะเวลาสั้นๆ เ, เพราะนั้นขออธิษฐานแห่งการฟังธรรมในค่ําคืนวันนี้จึงคุณแก่คุณแม่ระดาวันก็จะกันเปิดบูลงรณากรแล้วแต่ท่านรับรูุ้รัชามรยายะทางติดไปกระตานท่านก็นจะอนุโมทนาความดีของพวกเราในค่ําคืนวันนี้ และขอความอันดีอานนี้จึงถึงแก่บรรพบุรุษของเราคือพ่อแม่ปู่ย่าตายายผู้มีุลทั้งหมดขอให้ท่านเหล่านั้นจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่พวกเราทั้งหลายได้กระทำความเป็นในวันนี้ก็ข อ, ขออนุโมทนาความดีพวกเราทุกคนการแสดงธรรมของทุกคนในเวลาเอวังก็ม้มยเรุเบ ก, กาวัชนี